หนึ่งร้อยพีชนิยามที่เจริญเป็นจินนิยามนั้นมีอัตราของสัตว์จะทิศิีที่เจริญขึ้นก็เป็นความรู้ความเข้าใจก้าหน้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนกระทั่งเจริญจากทิศิีเป็นพลังงานขั้นตัญหาจากเริ่มเป็นตัญหาแรกผลิแล้วจึงจะขยเบคุณภาพและปริมาณขึ้นมาจนกระทั่ง จะเริญนมาตามลำดับถึงขั้นภูมิของความเป็นจินิยามที่เป็นตัญหาเต็มสภาพของสัรหาของสัตว์ต่อไปก็จะเป็นตัวตนของสัตว์ที่มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสัตว์ต่างๆนับประมาณวม่ได้อัตราของสัตว์จึงมีมากจนไม่สามารถจะแยกได้ละเอียดครบ พีชานิยามจะเจริญจากอุตุนิยามมาตามลำดับด้วยในยะนี้หรือจิตนิยามก็ตามก็เจริญจากพีชานิยามมาตามลำดับด้วยในยะนี้เยี่ยงเดียวกันทว่าต่างชั้นของความเป็นธรรมนิยามกันเท่านั้นจึงเกิดอัตราของชั้นแห่งความเป็นธรรมนิยามแต่ละธรรมะ พีชานิยามก็นับเป็นอัตราของพีชานิยามไปตามธรรมะของตนหรือจินนิยามก็นับเป็นอัตราของจินนิยามไปตามธรรมะของตนของตนไปชั้นใครก็ชั้นของตนของตนดังนั้นเมื่อมีการสะสมตัวตนมากขึ้นและคุณภาพก็ควบแน่นขึ้นตั้งแต่ 1. 2 3 4สองหด ถึงเจ็ดจึงจะนับว่าเข้าเขตการเปลี่ยนตัวตนเพราะเข้าขั้นสู่หน่วยที่สในปฏิภาคทวีของเส้าที่สในความเป็นอัตราแต่ละขั้นจะนับเอาสังขยาเลขขึ้นไปถึงเจ็ดนั้นมันข้ามเส้าที่สองซึ่งเลยเส้าปฏิภาคทวีคู่ใหม่คือสองเส้าแล้วดังนั้นความควบแน่นนี้ถ้าเพิ่มเป็นเจ็ด ก็เข้าเศร้าที่สามซึ่งมันเป็น8ดเป็น9้าไปได้ในเศร้าของมันง่ายขึ้นแล้วก็จะสิบถ้าขึ้นสิบมันก็ข้ามรอบไปอีกขั้นหนึ่งเป็นอัตราในวัตตะใหม่ทันทีสตักขัตุประมะหรือสตักขัตุประมะจึงหมายถึงพลังอำนาจถึงเจ็ดหน่วยนี้แหละที่ยิ่งใหญ่ประมะแล้ว เป็นพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยหลังแล้วสัมโพธิปรายณนะเลขเจ็ดจึงถือว่าเป็นขีดสูงสุดแห่งปฏิภาคทวีของหน่วยรวมตัวกันขึ้นเป็นเศร้าที่เข้าสู่เศร้าที่สามหนึ่งสองสเท่ากับเศร้าที่หนึ่งแล้วก็4ี่ห้าหเท่ากับเศร้าที่สองแล้วจึงจะเป็นเจซึ่งมีพลังอํานาจสูงเลยสองเศร้าขึ้นไปแล้ว ถ้ายังเป็นแค่สองถึงก็เป็นแค่โกรังโกละนั่นถือว่าพลังงานยังอยู่ในระดับขั้นของความเป็นวัฏถะแห่งพันธุกรรมที่ยังไม่แน่มั่นเท่าหน่วยที่เจ็สัตตุสัตตะขัตตุถ้าประมาทก็อาจจะตกต่ำได้อยู่ส่วนหน่วยหนึ่งนั้นคืออนุสัยหรือเอกพีชีอันหมายถึงหนึ่ง ที่มีในยะปฏิภาคส่วนที่ทบไปทวนมาซึ่งหมุนรอบเชิงซ้อนสลับไปมาอย่างเป็นระเบียบมีมิติของชันไล่ระดับการถูกต้องตามสัจจะลักษณะโกลังโกลาคือสองถึงคือจึงยังไม่ถือว่ามีปริมาณหรือคุณภาพที่แรงมากพอที่จะมั่นใจเท่าอาจจะแปรไปเป็นเสื่อมลงได้ จึงป้องกันการประมาทไปนับเอาหน่วยที่7็ดเป็นหลักมิจตาที่ยงแท้